ท, ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงและทำกายะสังขารในลํงับ นสติอันบุคคลทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ผลที่เธอหวังได้สองอย่างคืออา拉ตะผลหรืออนาคามิผลในปัจจุบัน เจ็ดเคลื่อนออกจากลมหายใจให้พยายามละความเปลิน <c oughs> แล้วลึกได้กลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง ผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจ เือไปไม่ไรรู้ตัวให้ละความเปลินและดึงกลับมาที่ลมหายใจการวางความตั้งใจให้วางพอดีอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าน้อยเกินไป เกลดเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับรวมไปนกหลุดมือวังจิตของเราพอดีพอดี <c oughs> แค่ให้จิตเพลินไปกับความคิดจะเป็นอดีตน า, นาคากิรับรู้แล้วให้รีบละรีบวางรีบปล่อยกลับมารู้ลมหมยใจจิตที่ออกไปรับรู้อารมณ์ คือจิตที่สร้างพบา้าชลามรณะราัศาดาให้สํารวมจิตอยู่กับกายหือลมหายใจที่เรียกว่ากายยกตาสติ ว่าเวลานี้เราจะไม่อยากคิดอะไ ร, รไม่ต้องการรับรู้อะไรไม่พิจารณาไม่ตัดสินใจอะไรก็รับรู้แค่ลหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเฉย นอกจากสมาธิาใก้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้กัสบสรรพสัตว์ทั้งหลาย แก่ปลมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนรกกํานิเดชานเปรตวิสัยและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดให้มีส่วนได้รับกุศลผลบุญของเราไม่ว่าจะเป็นทานบา ร, รมีสินบา ร, รมีของเราสมาธิบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีก็ขอให พวกเก่าทั้งหลายได้มีส่วนหน่งรุศลนลนผลนี้โดยทุ่หน้ากัน ค่อยๆอกจากสมาธิมา วางจิตได้ดีๆครึ่งชั่วโมงนี้ก็ได้ความสงบอยู่เยอะเลยนะล ม, <c oughs> มหายใจก็จะละเอียดขึ้น จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบการเต้นของหัวใจหรือการจังหวะการหายใจก็จะรู้ว่าหัวใจเต้นช้าลงนะจังหวะการหายใจก็ช้าลงลดลงนะร่างกายเราจะสงบประมัดลง มันได้พักผ่อนเหมือนกันที <c> ่ <oughs> <c oughs> มีบทสวดแผ่เมตตาที่พระสัสดาตรัต ก, กับว่าเสด็จถะถ้าเราจะสวดก็จะสวดตอนท้ายจมูกก็ได้ นี้ได้แจกหนังสือเก้าย่างอย่างพุทธะนะให้พวกเราไปจะได้อธิบายในหนังสือเล่มนีนะ้เล่มนี้ก็จะรวมพุทธวจนะพระสูตรที่ไม่ยากนัก พอจะเข้าใจกันได้อย่างที่น่าปกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่พระสัสดาให้ใช้ธรรมวินัยที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นสัสดาแทนต่อไปนะไม่ได้มอบให้ใครนะไม่ไม่ได้มีทายาทเป็นตัวบุคคล แต่ทายาของพระองค์ก็คือทำวินัยที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วจะเป็นศาสนาแทนต่อไปนั่นเราต้องชัดเจนในตรงนี้น <c oughs> มีอะไรสงสัยกลับไปหาคำพระศาสดาของเราในหน้าตัดไป ด้านในพระองค์ก็ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพึ่งตนและพึ่งธรรมะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยอย่าเอายังอื่นเป็นที่พึ่งเลยเอาตนเองเอาธรรมะเป็นที่พึ่งดีที่สุด <c oughs> องบอกจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะบอกเตือนอีกว่าอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยนั้นถ้าเรายังมีสิ่งอื่นเป็นสลาณะเราก็วางไปซะเอาตนเองแล้วเอาธรรมานี่แหละเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย รงไม่แนะนำให้เรามีสิ่งใดเป็นสลณะนอกจากธรรมะแล้วก็ตนเองในพระสูตรนี้ที่ตรัดต่อมาเนี่ยจะเป็นการอธิบายสติปัฏฐานสี่ว่าพึ่งตนพึ่งทําเนี่ยทำอย่างไรนะงก็จะอธิบายสติปัฏฐานสี่ เพาะบางทีโยมจะบอกว่าตนเองก็ยังออกตัวไม่รอดหรือยังพึ่งไม่ได้เอ๊ะ hey, จะพึ่งได้ยังไงแต่พระเจ้าก็บอกพึ่งได้นะอืด้วยการรู้ลงหาใจเข้าออกของเราเหมือนอย่างที่ทํามื้สักครู่นี้ชื่อว่ากําลังพึ่งตนพึ่งธรรมนะกําลังมาเรียนรู้ระบบที่ถูกต้องะจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญา สามารถที่จะปล่อยวางรูปนามขันหน้าทั้งหมดได้เปิดมาในหน้าที่สองก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้อง จึงแต่ว่ามนุษย์ตั้งหลายเป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกความกลัวคุกคามมาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนสศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทําความประเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใด ถือเอาสิ่งนั้นนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ตอนนี้เรามีศารณะเยอะในประเทศไทยนะ ม, มีนอกจากสวนศักดิ์สิทธิ์ลูกเชดียังมีรูปปั้นรูปหล่อนะยังมีมีชูชกบ้างนะมีอะไรบ้างจิฟ่าถ่ายเยอะแยะไปหมดนะอืมแล้วก็ ก็มีความศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ให้ศรัทธาให้ศรัทธาคำสอนของพระองค์ด้วยนะเดี๋ยวกันศรัทธาของเราจะเป็นหมันเปล่าในหน้าที่สามถัดไปเนี่ยพระองค์ยืนยันว่า สัตว์ที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยมีน้อยเปรียบเทียบอย่างไรพระองค์เอาเล็บของพระองค์เนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าในมหาปฏาปีกับเศษดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันดินที่ปลายเล็บหรือดิ น, นในมหาปฏาปีสาวกบอกมหาปฏิมาปฏาปีมากกว่ามากเลยครูเจ้าบอกนะเนี่ย สัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บโอ้โหมันน้อยมากนะโยมนะเพราะนั้นแสดงว่าหกสิบล้านคนในประเทศไทยเนี่ยตายไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์นะที่กลับมาเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวนะแล้วหกพันล้านคนเนี่ยมันจะกลับมานิดเดียวเองนะโอ้โหมันเทียบสัด ส, ส่วนแทบไม่ได้เลย ในความเป็นสัพพัญญูของพระองค์เนี่ยพระองค์มองหมดเนี่ยดวงจิตของปลงดวงจิตของเทวดาดวงจิตของมนุษย์ดวงจิตของดิลฉานอย่างดิลฉานเนี่ยมดปลวกเนี่ยโอ้โหทั่วโลกสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกม้าม้ามล์มาสานเนี่ยนะใครสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พระศาสนาพระองค์มองเห็นหมดนีพระองค์จึงเปรียบเทียบไว้ให้นะนั่นนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ นะว่ามนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนี่น้อยมากมาจะบอกในประเด็นที่สำคัญสคัญนะเผื่อมันจะได้จบเล่มบ้างเพราะะ้น <laughs> จะลองเลเดี๋ยวไม่จบเล่มในหน้าที่ห้า ก็สูตรนี้จะประเด็นก็คือจะยืนยันว่าสาวกของพระงเนี่ยมีจำนวนมากจึงเป็นเหตุให้เราเห็นว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยนะเป็นสเกลภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะสามารถทำได้เพราะนั้นถ้าใครรู้สึกว่ามัน ยากมันไกลเกินกว่าความสามารถของเราก็เปลี่ยนความคิดสะใหม่เหมื <c oughs> <c oughs> อ น, นพระศาสดาวเวลาไปศึกษากับอุทกดาบทานาราด า, าบทพระองค์ก็คิดว่าความเพียนจะมีแก่เขาคนเดียวเมื่อไหร่เราก็มีความเปลี่ยนมันแล้เหมือนกันศรัทธาจะมีแก่เขาคนเดียวเมื่อไหร่เราก็มีศรัทธาเหมือนกันนะสมาธิปัญญาจะมีแก่เขา เดียวเมื่อไรเราก็มีเหมือนกันจะไปกลัวอะไรเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่ไห ม, มไม่ต้องกลัวนะไม่ใช่เขาเป็นยอดมนุษย์คนเดียวเราก็ทำได้นะเราต้องคิดอย่างนี้เราถึงจะรู้สึกถึงว่ามรรคนิพพานไม่ได้ไกลเกินไปนะ <c oughs> นั้นอนนี้ก็เสร็จ จะแสดงเราเห็นว่าสาวกสาวิการทั้งผู้หญิงด้วยทั้งผู้ชายด้วยนะของพรงเป็นมีจํานวนหลายร้อยมากนะอย่างสาวิการเนี่ยของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในทิฏฐธรรมมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่รอยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้โอ้มีเป็นจำนวนมากมีแค่รวมอย่างนี้นี่พระอาหารหันต์ทั้งผู้หญิงผู้ชายในยุคโลงเนี่ยมีเป็นพันๆนะจำนวนมาก ในหน้าที่แปดก็เพิ้งตนพิ่งทำนะนี่เป็นประสูตยที่เต็มขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะ ดังนี้เพราะว่าปลานลนเศร้าโศกเสียใจในการปรินิพันธ์ของพระสารีบุตรพระาศาสดาจึงเตือนว่าพระสารีบุตรไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาติดตัวไปด้วยนะศีลสมาธิปัญญายังมีอยู่ในโลกให้เธอควรควายพระพฤติปฏิปัติ ในหน้าที่11พระองค์บอกเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานนะก็คือเจโตวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบได้มีอยู่พรมจันรนี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแกนสารเป็นผลสุดท้ายของพรมจักร ไม่ใช่มีลาบสักการะหรือเสียงเย็นยอ่อหรือการถึงพร้อมด้วยสินบางคนบอกโอ้เรามีสินดีละพอละยังไม่พอหรือการถึงพร้อมด้วยสมาธิโอ้สมาธิเราดีมากเลยก็ยังไม่พอยังไม่ใช่นะหรื อ, อยานทัศนะาต่างได้คุณวิเศษต่างบอกยังไม่พ อ, อยังไม่ใช่นะต้องให้ถึงมรรคนิพพานนะวิชาวิมุติเกิดขึ้น ครรผูปฏิบัติจะต้องนะรู้ความมุ่งหมายที่ถูกต้องของการประพฤติปฏิบัตนะิมันจะได้เดินไปถึงคนทาง้องจะเปรียบเหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้สแสวงหา ก, ก่นไม้นะ <c oughs> อย่าไปมัวเอากระพีเอาเปลือกสดนะสเก็ตแห้งนะ ใบอ่อนที่ปลายกิ่งในหน้าสิบสามเป็นการให้กำลังใจพวกเราอีกว่าไม่ว่าเราจะเกิดในตระกูลใดรุนสามารถทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นไม่จำกัด คนมีชาติดำทำให้เกิดทำดำก็มีชาติดำทำให้เกิดทำขาวก็มีชาติดำทำให้เกิดนิพพานก็มีคนชาติขาวทำให้เกิดทำดำก็มีเกิดทำขาวก็มีทำให้เกิดทำไม่ดำไม่ขาวก็มีคนมีชาติดำเป็นอย่างไรนะเกิดในตระกูลต่ำ ตระกูลจันทานตระกูพลพรานจักสารตระกูลทำรถตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอด มีลักษณ ะ, นะคนชาติตำแต่บางครั้งเขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตอยู่พระองค์จึงบอกให้มาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโ น, โนสุจริตแต่ถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นคือทําให้เกิดกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือปฏิบัติมรรคไม่งูแป เรียกว่าชาติดำทําให้เกิดทําไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อนิพานอันนี้ก็จะยืนยันว่าไม่ว่าเราจะเกิดในตระกูลใดเราสามารถทํามรรคผลนิพานให้แจ้งได้เป็นอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เป็นพระอาหารหันต์ได้ก็เอาละพอแล้วนะออืสามารถ <c oughs> ทําสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตเข้าถึงความไม่ตายได้ ในหน้าสิบแปดเนี่ยเป็นธรรมันเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลาเลขสันเลขธรรมแง่มุมที่น่าสนใจก็คือเวลาเราเห็นใครเขาทำไม่ดีอะไรเห็นในแง่นี้นี่ไม่ได้ไปว่าเขาเลยนะ แต่น้อมเข้ามาในตัวเราวะเราจะไม่ทําแบบนั้น mm hmm. นะอืการทําก็ทําไปแต่เราจะไม่ทําแบบนั้ น, นเราจะขัดเกลีกิเลสตัวเองเล็กสันเละก็ทํานี่คือทําเครื่องขูดเกา่าเช่นเห็นเขาฆ่าเขาเบียดเบียนเขาพูดโกหกพูดเพ้เอเจ้อเราก็น้อมนิในใจหรืเราจะไม่ทํานะอืมตรงนี้จะมีอ ลักษณะของอาการของกิเลสนะที่พูุ้ทธเจ้าบอกอันนี้เป็นกิเลสนะถ้าเราละเลิกได้จะดีเช่นอย่างในหน้า20ในความฟุ้งซ่านนะหน้า21ความมักโกรธผูกโกรธลบลู่คุณนะการแข่งดีการลิษยาการตรณีการโอโ้อวดการมีมารยา ในนั้นยะี่ิบสองก็การเป็นผู้กระด้างการดูหมิ่นท่านการเป็นผู้ไหว้ายากการคบมิดชั่วการประมาทความไม่มีศรัทธาฮิริความละอายอตตปาความเกรงกลัวตะะ่อบาดการสั่งสมสุตาน้อยก็ยังไม่ดีเลยนะให้เลยเราเราจะเป็นผู้สั่งสมสุตามาก เห็นใครเขาขี้เกียจเราจะไม่ทำเราจะปราลความเพียรอันนี้ก็เป็นแบบภาษาโลกโลกโหตเราทามตามนี้ได้เยอะแล้ว น, นั่นไยได้เยอะเลยอ่าขัดเกลามากเลยทำได้ทั้งวันนะ แต่เราท่องท่องอันนี้ก็ได้ในสันเลขากกทำเนี่ยนะถ้าจําได้ปุ๊บมันจะไปใช้ในชีวิตเวลาจะเบียดเบียนดูหมิน่นใครปุ๊บมันจะเล็ขึ้นมาในใจทันทีปุ๊บเออเราจะไม่ทําปั๊บเนี่ยมันจะได้การขูดเกาวกิเลส ต, ตลอดเพราะฉะนั้นอาการของของกิเลสเราเนี่ยเราต้องจําไม่ได้มันจะระลึกขึ้นมาได้เมื่อเวลาเราประสบเหตุปั๊บเนี่ยมันจะลึกนะเอออันนี้มันเป็นทําเครื่องขูดเกาวเราต้องหยุดนะ <c oughs> ในหน้าย4สิบสี่อันนี้ก็ยี่สิบสีจะเป็นเรื่องของการเพลินในอายตนะภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปสิ่งกินรสซึ่งเป็นทั้งเทวดาและมนุษย์เพลินกันทั้งคู่นะเทวดาก็เพลินมนุษย์ก็เพลินนะเพลินในรูปสิ่งกลินรส อันเป็นทิพย์บ้างนะอันเป็นส่วนของมหาพุทธธาตุสี่บ้างในหน้ายี่สกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่ทำให้โลงเนี่ยออกบวชเพิ่งเกิดความรู้สึกเหอนกับว่า ตัวท่านเองเนี่ยก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ยังแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเป็นของของตัวอยู่ทั้งทง ท, งที่ตัวเองก็แก่เจ็บตายก็ยังแสวงหาของแก่เจ็บตายมาเป็นของเราเอกีก <c oughs> ผมก็บรรยายว่าอะไรเป็นของแก่เจ็บตาย ก็คือบุตรภรรยาธาตหิงทาทชายแปะแก่ไก่สุกรช้างโคโม้าลาทองเงิ น, นสิ่งเหล่านี้มีความเสื่อมความสศร้อมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา ปี28พนระองค์บอกว่าคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมโมเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่ไม่คิดสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีความซ่องมองไม่มีความแก่เจ็บตายพระองค์ก็เลยคิดถึงโทษอันนี้แล้วก็สแสวงหานิพพาน ผมจึงคิดว่าพรุงแสวงหานิพพานคือความไม่ตายดีกว่าสิ่งที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเสื่อมไม่มีความตายดีกว่าก็คิดยากเหมือนกันนะเพราะคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้แต่การจะคิดกลับกับคนทั้งโลกเนี่ยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับคนทั้งโลกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ธรรมดานะ องค์ยังบอกเ่านั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเที่ยวเกษายังดําจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กําลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยนั้นพระองค์ยังมีความหนุ่มแน่นนะเมื่อมารดาบิดาไม่ปราถนาด้วยกําลังพากันร้องไห้น้ําตาหลงหน้าอยู่เราได้ปรงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือน บุเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วพระองค์เห็นว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาพเป็นโอกาสว่างผู้อยู่คลองเรือนจะประพฤติปรมจรรันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเห็นสั่งที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ถ้าฉะไหนเราพิงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเดิดเนีย่ยถ้าเราสาธยายถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่ไพเราะนะจะได้ความราบซึ้ง เราจะเห็นว่าคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคําที่ไพเราะมากในหน้าสามสิบเว็ดจะเป็นการเตือนให้พวกเราเนี่ยไม่ประมาทต้องเร่งทำความเปลี่ยนต่อความตายที่กำลังจะเข้ามาเยือน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่เรื่องของอภัยพิบัตทิที่กำลังกลัวกันอย่างเดียวมันมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้เราต้องตายในข้อแรกก็จะเป็นเรื่องภัยคือความแก่ ข้อที่สองภัยคือความเจ็บไข้ข้อนะที่สามในหน้าสามสิบสามพรนะองค์บอกจะมีคราวหนึ่งที่พิกษาหายาเข้ากล้าเสียหายนะไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปเปนบบมันจะถึงกราวทุกภัยในอนาคตมันจะมี การที่จะมาเร่งปรับความเพียนตอนนั้นเนี่ยโอ้มันทําได้ยากนอะเพราะมันมีปัญหาต่างๆลุมเมร้าพรงค์จึงบอกว่าเราควรจะรีดทำความเพี่ยนนะเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ถึงผู้ถึงแล้วเนี่ยจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุกข์พิขภัยขึ้น นั้นถ้าโยมมีสารณะมีที่พึ่งของตนเองแล้วโยมก็จะอยู่ผ่าสุขไม่มีปัญหาจะเป็นภัยพิบัติเป็นอะไรต่ออะไรเข้ามาเยือนเราก็มีสารณะแล้วมีที่พึ่งแล้วในข้อที่4ี่เกี่ยวกับเรื่องจนป่ากำเริบ องบอกตอนนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดูดน้ำนมกับน้ำมอง赖กันและกันด้วยสายตาแห่งความรักแต่จะมีคราวหนึ่งที่โจนป่ากำเริบเจ้าจนหมดแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปที่ใดปลอดภัยก็ อ, อกพยพไปทางที่นั้นเมื่อมีการคลุกคลีปปรบบนกันในหมู่ค น, นการจะ มนัสิการถึงคําสอนของท่านพูร้รทั้งหลายก็ทําไม่ได้สะดวกเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เกือ้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติโรงก็บอกให้เรารีบทําความเพี่ยนอย่างที่ห้าในคราวที่สงแตกกันสงไม่สามารถขีบรองดองกัน มันก็เลยทำให้เราสับสนจะฟังใครดีเนาะนี่กับพระนี่กับพระพระนี่กัพูดอย่างนี้พระองค์นี่ก็พูดอย่างนี้นะต่างคนต่างพูดเรื่องอย่างนี้เกิดมาในครั้งรัชกาลที่ห้าแล้วนะถ้าใครได้เห็นนะที่พระองค์ได้เขียนเอาไว้นะพระองค์ก็บอกว่าพระนัยุ ข, ของท่านก็ต่างคนต่างสอนกันไปคนละแนวนะนะประชาชนของ ลงก็นับถือผีถือสางถือเทพถืออะไรนะเนีย่ยถ้าใครมีสีหลอกตรงนี้จะเอาสีหลอกมาแจกก็ได้นะอืมก็ได้ความราบซึ่งดีเหมือนกันนะว่ากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศนะมองเห็นคนในประเทศเป็นอย่างนี้ก็สงสารแล้วก็ขอร้องพระที่มีความรู้ในยุค ข, ของท่านนะให้ช่วยกันแปล ى. พระเตวปิดกจากอักษรของมาเป็นอักษรสยามเพื่อให้คนไทยเนะี่ย รู้จักคำสอนพระศาสดาจะได้มีที่พิ่งที่ถูกต้องแล้วพระจะได้สอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคือสอนตามพระศาสดาไม่ได้สอนตามความเห็นตัวเองอย่างนี้เพราะมันไม่มีหลักฐานที่มาที่ไปนะถ่ายทอดกันต่อมาอาจารย์ก็พูดกันพูดกันไปเรื่อยๆจนไม่รู้อันไหนเป็นหลักความจริงนะเราจึงดำริทาตรงนี้ขึ้นมาเพราะจะเห็นว่า รัฐบาลตอนนั้นก็ไม่ได้ทำแต่ราชการที่ห้ากษัตริย์ก็ทำเองเลยนะนั้นถ้าใครเห็นความสาคัญนะเราทำเองก็ได้เราช่วยกันทำเผยแพร่ไปไปคำสอนระะพระธรรมคตพระศาสดาให้กระจายให้มากให้มากนะให้เข้าถึงมู่คลยิ่งเข้าถึงมากก็จะเป็นเน็ตให้คนไม่ได้รู้คำสอนพระศาสดามากก็จะมีความทุกข์น้อยลง ความสุขจะมากขึ้นเมื่อหนึ่งคนมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงนะกลุ่มก้อนธั้งประเทศเนี่ยก็มันประกอบจากตัวบุคคลนี่แหละนะมันก็จะทําให้สังคมส่วนรวมเนี่ยนะมีความสุขมีความสมัครสมานสามัคคีปลองดองมีความเจริญก้าวหน้านะเพราะตัวบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยนะมีความทุกข์น้อยลงมีวิธีแก้ทุกข์อย่างถูกต้องไม่ได้แก้ทุกข์แบบบุรุชน ที่เมื่อมีทุกขเขวทนาเกิดขึ้นแล้วก็น้อมนึกไปถึงกรรมสุขนะไปกินเหล้าไปเที่ยวเตรนะเล่นการพนันอะไรอย่างนี้ทางดับทุกขแบบปิดๆนะก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่อริยบุคคลจะมีวิธีแก้ทุกข์นะตามที่เป็นจริงนะก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามัมีองค์แปดนะ <c oughs> ในหน้าสามสเจ็ดบทนิิฐานจิตเพื่อทําความเพียร <c oughs> ถ้าเราจะตั้งจิตในการปรบความเพียรก็ให้ตั้งจิตอย่างนี้อนิทิฐานจิตอย่างนี้นะว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ <c oughs> เนื้อและเลือดในสรีระจะเกิดแหงไปก็ตามทีนะ ระโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเปลี่ยนด้วยความหามักบั่นของบุตรถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเปลี่ยนเสียเป็นไม่มีเราจะพยายามไม่หยุดความเปลี่ยนถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการจะบะรรลุ <c oughs> <c oughs> ในความเพลี่ยนเนี่ยพระศาสดาก็บอกมันมีสองอย่างในโลกนะยอดของความเพียนความเพลียน อย่างที่หนึ่งก็คือความเพียนที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่นะอาหารนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยรักษาโรคเนี่ยเราต้องใช้ความเพลี่ยนอย่างมากชีวิตทั้งชีวิตทุกวันนี้ก็ทำเพื่อสิ่งนี้นะที่ปารลความเพี่ยนกันท ร, รมาหากินกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้และยอดความเพียนอย่างที่สองก็คือเพียนเพื่อจะบรรลุธรรมะนะนี่คือ ยอดของความเพี่ยนสองอย่างในโลกแต่ความเพี่ยนอย่างไหนที่ว่าเป็นเลิศก็คือความเปลี่ยนในการที่จะให้ได้บรรลุธรรมถือว่าเป็นเลิศในหน้าสาเป็นการที่ ในเพร้งต้นนี้ก็เป็นพระสุ ท, ที่ให้กำลังใจมาเรื่อยๆแล้วก็บอกเตือนพอมาในหน้า39ก็จะเป็นการที่เมื่อเราอยากรู้ธรรมะแล้วจะรู้ได้ยังไงก็จะบอกไว้12ขั้นตอนนะคนเราต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไวนะ้ต้องมีการทรงจำมีการไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจาไว้ ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะชันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันต้าย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาความสมดุล่งธรรมและจะตั้งตนไว้ในธรรมถ้าเราพิจารณาในแต่ละขั้นตอนนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่คนคนหนึ่งจะมีในแต่ละขั้นตอนฟังฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่พอมาดูในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันยากเหมือนกัน อย่างคนไปวัดที่จะมาฟังธรรมจริงๆก็ยังไม่ค่อยมีนะไปวัดก็ทำบุญถวายทานกลับนะบางคนไปวัดขยับขึ้นมาหน่อยไปนั่งใกล้แต่ก็ไม่เงียสลดลงฟังก็ไปนั่งคุยเรื่องอื่นซ ะ, ะหรือว่าหาเรื่องการเวืองมาคุยเรื่องนอนเรื่องนี้มาคุยนะก็ไม่เงียหเงียสดลงฟังอีกเหมือนกัน บางคนก็เนียสงบลงฟังอยู่นะตั้งใจเพื่อจะรู้ทั่วถึงไหมนะก็อีกขั้นหนึ่งนะนะฟังอยู่ก็ฟังฟั ง, ฟ, งฟังไปอย่างนั้นก็ได้แต่ฟังเราต้องใคร่ควรนะนะท่านพูดอะไรพิจารณาใคร่ควรตามยมคิดดูว่ายมฟังคําพูดของคนคนหนึ่งแล้วอยากใคร่ควรตามนะพิจารณาตามเนี่ยนั่นคือยมต้องมีศสตานะ นั้นถ้ายมไม่มีศรัทธาในผู้พูดในคำพูดที่เขาพูดออกมามันก็จะไม่มีการมาไข้ควรพิณาการเข้าใจในต้อยคำพูดก็จะไม่เกิดขึ้น น, นั้นการที่คนคนหนึ่งจะจะได้รู้ธรรมะนี่ดูแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกั น, นการที่เราจะมีศรัทธาในคนคนหนึ่งที่พูดธรรมะออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเขาแลวเอามายไ้ควรพิจารณา แล้วก็นําไปปฏิบัติตามนะมันยากทุกขั้นตอนเลยนะอย่างนะอืมเนี่แหละนั้นขนาดตั้งใจฟังนะค่ายควรตามปฏิบัติตามมันก็ยังจะบรรลุได้ยากเหมือนกันนะแล้วถ้าไม่ฟังไม่ใค่ควรนะไม่นําไปปฏิบตัติโอ้หนทางมันก็ไกลไปเรื่อยๆนะมันไกลไกลไปเรื่อย <c oughs> ก็เลยอยากให้ให้เราตีกรอบมาในในคำของพระศาสดาของเราอย่าโมไปวิ่งแสวงหานั่นน่้นนี่มันเสียเวลาชีวิตมีเวลาน้อยนะเหมือนหยดน้ำแป๊บเดียวก็แตกสลายเหือดแห้งไปร้อนยะปีนี้แป๊บเดียวนะใครอายุมากๆแล้วมองผ่านไป4 0่สี่50้าิมันแวบเดียวนะ <laughs> แบเดียว อีกหนึ่งแว็บก็นอนในโรงแล้วเร็วมากด้นนี้พยายามใช้เว็บที่เหลือเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะนั้นต้องคิดว่าเราต้องไม่สเปรสปาแล้วต้องธรรมะพระศาสดาตรงๆเลยมันเป็นประโยชน์ของเรามันไม่มีใครมาลงนรกกับเราขึ้นสวรรค์กับเราหรือไปนิพพานกับเรานะาเราไปเองนะ เราโทษใครไม่ได้เลยนะเราเลือกเองคนทางนี้เราเลือกเองเส้นทางนี้เราเลือกนะนั้นมั่นใจกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินตามทาตามฝึกตามทำไปเรื่อยๆเราจะเกิดความเข้าใจเกิดความกระจ่ า, จางในหน้าสี่สิบเอ็ดเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่บุคคล ที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพบา <c oughs> <c oughs> งคนก็จะงงว่านี่เราจะเรียกคบเพื่อนยังไงดนะีหรือเลือกสถานที่อยู่อย่างไรจรึงจะเหมาะสมหลวงก็ให้พิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาถ้าไปอยู่แล้วสติที่ยัง ตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้สมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นก็ให้อยู่ที่นั้นแหละและถ้าเอกลาปัจจัยดีปรงให้อยู่ตลอดชีวิตเลย <c oughs> แต่ถ้าเอกลาปัจจัยไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้อยู่เพื่อเอกลาปัจจัยมาอยู่เพื่อมรรคผลนิพพานนะแต่ถ้าไปแล้วภาวนาไม่ดี เอกลาปัจจัยดีนะก็ให้คิดว่าให้เราเกิดมาไม่ได้เพื่อเอกลาปัจจัยอย่างเดียวนะเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนะมีโอกาสก็ให้หลีกไปแต่ถ้าเอกล า, าบก็ไม่ดีภาวนาข้อใหม่ดีทั้งสองอย่างครูเจ้าบอกไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันกลางคืนให้หลีกไปจากที่นั่นเสียโดยเถิดนะ <c oughs> <c oughs> มีวิธีการเลือก สถานที่บุคคลนี้มเมืองหลวงใช้หลักเกณฑ์นี้ได้หมดในหน้า44ก็จะเป็นเรื่องของความเพลินละที่เป็นเหตุให้ทุกเกิดมันก็จะเป็นเรื่องของความเพลินในรูปเสียงกลินล่นรส ก็ความเปลือนในตาหูจมูกลิ้นกายใจในอายตนะภายในภายนอกในหน้า46 47ก็คือเรื่องมือในการแก้ความความทุกข์ก็คือการละความเปลิอง น, นั่นเองมันเปลิอนได้เราก็ละได้จิตกำลังผูกกับอารมณ์ล้วก็โยนทิ้ง ที่ละโยนทิ้งก็คือการละนันทิคือความเพลินหรือเรียกว่าการละสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเพราว่าขันห้ามันมีรสอร่อยของมันนะมันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะ เป็นที่เขาไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดย่อมใจมีอยู่พระองค์ไม่ให้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบหมู่เมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลินล่นกลิ่นลดปุถะพระธรรมลมนั้นเมโยไม่เพลินกับสิ่งนั้นนันทิคือความเพลินย่อมดับไป ลุงบอกความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินนะทุกทั้งหมดเนี่ยหมดไปได้เลยเพราะความเพลินดับความเพลินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องที่พระศาสดาสอนตั้งแต่การละในรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายจนกระทั่งถึงมรรคนิพพานปรุงก็บอกประล่ลักีณาศพหรืออรันตสมาสัมมุทเจ้าก็ยังละความเพลินในนิพพาน จะมีสิ่งเดียวที่ดูแลราพุทธเจ้าพูดตั้งแต่สังฆาะไปถึงอสังฆาะเลยก็จะไม่มีบอกไปอนาปาหรือกายกคตาสติอสุภาในนิพพานอะไรไม่มีแต่มีล่านันทีในนิพพานนะอโอ้โหันทีนี้เป็นตัวใหญ่เลยตัวครอบเลยครอบอุมทุกอย่างเลยนะ นั้นจับประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนมรรคธีเลยยิงยาวไปสุดเส้นทางเลยคอยละความเพลินอย่างเดียวเอาเข้าไปใช้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรถทุกปัสามีปาษาพยายามไม่เพลินพยายามมีความรู้ตัวก็เลยไปจับประเด็นนี้ได้ก็เลยนำเรื่องการละนันที่มาสอนให้พวกเรา เราพระสูตรเกี่ยวกับการลนันทีขึ้นมาแสดงให้ดูว่าพระศาสดาสอนไว้เยอะมากนะถ้าเราจะใช้โปรแกรมนนในการสแกนเราขีคาว่านันทีเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยพระสูตรจะขึ้นมาหลายร้อยพระสูตรมากนะอย่างในหน้า47ก็จะยืนยันว่าเพราะความสิ้นแปลงนันทีและลาคระ กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินความพอใจจิตหลุดพ้นเลยห <c oughs> น้าสนะี่สิบปดสี่สิเก้าเป็นห้สิบ้าสบเเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน คือการพิจารณาผัสสะปฏิปทานนี้พระองค์เรียกนะปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพา น, นเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทําในใจให้ดีเราจักกล่าวอันนี้เราลองไปอ่านดีๆนี่ ใครอยากสะดวกง่ายต่อการเข้านิพพานะจับพระสูตรนี้เข้าไปทํำเลยก็ยังได้เห็นจักสูว่าไม่เที่ยงเห็นรูปทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเห็นจักขูวิญญาณว่าไม่เที่ยงเห็นจักขุสัมผัสว่าไม่เที่ยงเห็นเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขะมสุขที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยง เวลาตาเห็นรูปเนี่ยเราก็าพิจารณาเลยนะตาเห็นดอกไม้ก็พิจารณาอดอกไม้ก็ไม่เที่ยงและลูกตาที่เห็นดอกไม้ก็ไม่เที่ยงอเหมือนกันนะเวลาเห็นอะไรสวยไม่สวยเลยปนะปุ๊ บ, บพิจารณาเลยนะสิ่งที่เห็นลูกตาที่เห็นวิญญาณที่เข้ามารู้ทางตาก็ไม่เที่ยงนะผู้รู้ตัวนี้ก็ไม่เที่ยง <c oughs> อย่างนั้นเราจะเห็นองค์ประกอบของภาษา คือตัวจักขคูวิญญาณจักรุูสัมผัสก็ไม่เทียงการรับรู้ทั้งก้อนเนี่ยคือสัมผัสเนี่ยก็ไม่เทียงเมื่อกี้เราแยกองค์ประกอบของสัมผัสใช่ั้ยรูปลูกตาวิญญาณตา่างๆแล้วก็มารวมทั้งก้อนเนี่ยว่าก้อนผัสสะทั้งก้อนก็ไม่เทียงแล้วก็มาพิจารณาสุขทุกข์อันเกิดจากสัมผัสเป็นเหตุเพราะสัมผัสแล้วจะเกิดเวทนาในสายปฏิจจา ท, ที่เราท่องไปปุ๊บเราไปสังเกตเนี่ยในวันๆหนึ่งเนี่ย หูกระทบเสียงปั๊บเกิดพอใจไม่พอใจตากระทบลูกปุ๊บพอใจไม่พอใจมันจะเกิดตลอดเวลาเลยทั้งวันเลยเร็วมากสุขทุกข์ที่เกิดจากตาสัมผัสก็ไม่เทียมเห็นนะนี่คือแง่มุมกรอบของปฏิปทาอันเป็นที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนะรู้องค์ประกอบของภาษะแต่ละอย่างจะมี3มองค์ประกอบ รู้ตัวก้อนภาษาทั้งก้อนรู้ผลอันเกิดจากก้อนภาษาทั้งก้อนคือตัวเวทนาสุขทุกข์เฉยๆให้แง่มุมหนึ่งให้เห็นมันว่าไม่เที่ยงอันเดียวก็ได้ก็เห็นมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีจิตฝังลงไปในความไม่เที่ยงอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องผลที่หวังได้คือพระอาราณในปัจจุบั น, นจับตัวเดียวก็ยังได้ จับองค์ประกอบทั้งห้าแง่มุมนี้ลงสู่ความไม่เที่ยงนี่เป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรกผล <c oughs> <c oughs> ะจะได้ทั้งสามในยะไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ประมาณในหน้า 54, 55สองหน้านี้จะเป็นเง <c oughs> <c oughs> ี้มุมที่พระองค์ให้ให้เรามองตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละให้รู้สึกเป็นอื่นจากเราว่ามันยังไม่ใช่เรา ออย่างที่เคยยกอุปมาให้ฟังเรื่อยๆ เ, เหมือนกิ่งไม้ที่เขาลากเข้าไปเผานะห <c oughs> ลวงตทําสาวพบว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากแล้วถูกาไฟเผามันสาวพบก็บอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรานะก็ <c oughs> คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่ของเรา <c oughs> พยายามมองอย่างนี้ทําความรู้สึกอย่างนี้นะ ณนะวันหนึ่งที่ตาหูจมูลิ้นกรชายมันแปลเปลี่ยนเราก็จะไม่เกิดความทุกข์เนี่ยอย่างในหน้าห้าสิบห้าพงิงสรุปว่าจักสุโสตะคานะชิวหากายะมนโนไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ <c oughs> จะทิ้งก็เสียดายกันนะ <c oughs> ของมันยังใช้ได้ดี <c oughs> ก็ทิ้งด้วยความละอุปทานความยึดมั่นติมั่นเลย น, ะ, น ะ, ะการทิ้งเนี่ยหมายถึงการถอนอุปทานตอนความยึดถือเราก็ใช้มันไปตามปกติจนมันแตกทำลายของมันไปเองนะ ในหน้าห้าสิบแปดลักษณะหวนตางแห่งความหมดจดอันนี้เราก็จะเห็น <c oughs> รับลงให้เราเดินตามทางมัตมิองค์แปด มขาบอกว่าทางเนี้ยมันเป็นที่หลงของมารเวลาเราเดินทางตรงนี้แล้วนะมารมันจะหาเราไม่เจอมารมันจะหลงมารของพระองค์ตรงนี้คือความตายมารคือความตายมันจะหลงมันจะหาเราไม่เจอมันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจักกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ เราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกสอนความเพียรเป็นกิจอันเตอทั้งหลายพึงกระทำแต่ถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้ที่มุ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยย่อมย่อมพ้นจากเครื่องปูแกแห่งมารนะ <c oughs> ในหน้าห้าสเ้เราก็จะเห็นว่าพระองค์เห็น บอกว่าเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเขาจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นหนทางแห่งความหมดจดนั้นธรรมชาติใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยธรรมชาตินั้นมันจะเป็นทุกข์นะเป็นความแตกสลายนั่นเอง เมื่อใครเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เขาย่อมเบื่อนหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ <c oughs> ทุกเป็นคําที่ซ้อนกันเหมือนกันความทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็คือความทุกข์ก็เดินไปสู่การแตกสลายสรรพสิ่งทั้งหลายก็เป็นทุกข์ก็คือเดินไปสู่การแตกสลายก่อนจะแตกสลายก็คือไม่เที่ยงความทุกข์นอกจากจุดแตกสลายแล้วก็ แปลอย่างว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มีการเสื่อมสลายมีการแปลเปลี่ยนจากสภาวะเดิมนี่ก็เรียกว่าทุกข์คือทนได้ยากทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากมีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดอาการที่แปลเปลี่ยนเนี่ยเรียกอนิจังนะมันเป็นอณิจังมีอาการแปลเปลี่ย น, นอาการที่แตกสลายดับไปก็เรียกว่าทุกขขังนะเมื่อ ตัวตนนั้นหนึ่งที่เกิดมาแล้วแปรเปลี่ยนแตกสลายจนตัวตนมันหายไปจึงถูกเรียกว่าอนัตตารลวงจึงตัดขันห้าเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตารลงบอกทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาถ้าใครมีปัญญาเห็นทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ย เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เขาจะเบื่อหน่ายในสิ่งสิ่งนั้นนั้นสภาวะธรรมคือสังขตะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏดับนะเราจะเบื่อสิ่งนี้ถ้าเราเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นตรงนี้นี่สิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเอง เราเห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาเราจะเบื่อสิ่งนั้น <c oughs> นี่แหละเป็นหนทางหมดจดเป็นหนทางเข้าถึงนิพพานนั้นยองต้องเห็นกันนะนั่นตรงนี้ก็จะถ้าจะยงไปอีกเรื่องหนึ่งก็จะได้ในเรื่องของที่ว่ า, านิพพานเป็นอนัตตาเนี่ย มันจะไม่มีนะถ้าโยมคีกรรมวันนิพพานเป็นอนัตตานะจะหาไม่เจอครูเจ้าจะไม่เคยพูดคานี้เลยนะแต่จะมีแต่คําพูดว่าจักสุเป็นอนัตตานะเวทนาเป็นอนัตตานะสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตานะวิญญาณเป็นอนัตตามีแต่บอกขันธ์ห้าเป็นอนัตตาแต่บอกนิพพานเป็นอนัตตาไม่มีแลนะสิ่งใดเป็นอนัตตานะ คนคนนั้นถ้าเห็นตรงนั้นจะเปื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงถ้านิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็ต้องเป็นทุกข์มันก็จะขัดกันไปหมดเราจึงจะไม่เห็นว่าพูะเจ้าไม่เคยตรัสว่านิพพานเป็นอนัตตาอันนี้จัโยงพสูตรง่ายๆตักกะง่ายๆที่เราจะเห็นง่ายๆอย่างนี้เราจะเจอเรื่อยๆถ้าใครจะประเด็นเป็นจะเจอเรื่อยๆแต่ขอให้เป็นคําพระศาสดาเพราะมันจะไม่ขัดแย้งกัน ในหน้าหกสิบหกสิบเอ็ดจะเป็นการขยายความของมัคคิโยงแปดเป็นการขยายความแบบสั้นๆนะที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยอย่างการดําหิี่ชอบก็ละความคิดกรรมภยัยบาปเปบียนสัมมาวาจาก็ไม่พูดนะเท็ดนะการพูดยุยงให้แตกกันคำหยาบ พัมเพิเจอในแต่ละข้อเนี่ยเรานำไปปฏิบัติได้เลยและจะเกิดการโยงใยถึงกันหมดในทั้ง8ข้ออย่างการทิ้งความพิดอกุศลเรื่อยๆเนี่ยรงก็บอกว่าเธอจะได้สัมมาทิฏฐิมาด้วยคือความเห็นที่ถูกต้องขณะที่ทิ้งความพิดอกุศลเธอได้ความเห็นถูก ขณะที่ทําความเพียนตรงนั้นเธอได้สัมมาวายามะขณะที่เธอมีสติแยกแยะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเธอได้สัมมาสติขณะที่เธอตั้งจิตมั่นนะตั้งใจมั่นลงที่จิตเพื่อละอกุศลเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยมรรคเมืองแปจะถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันนี่คือแง่มุมที่พระองค์เห็นถึงความสอดรับกันของมรรคเมืองแ นั้นเราหยิบข้อเดียวก็ได้เราเดินตามทำไปเลยข้อเดียวในหน้าหกสิห้าเป็นการยืนยันว่าสมาธิทุกขั้นเนี่ยใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดหกสิบหกห7สิบเจ็ดหสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบน่ะ เราะเราจะเห็นว่าอันนี้จะพูดพระองค์ตรัดไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าสาวกพูดไว้ไม่ตรงกับพระศาสดาค่อนข้างเยอะบางก็ว่าตั้งแต่เรื่องของบทพิชนะว่าสมาธิทั้งหมดพระศาสดาตรัดไว้แค่เก้าคำนะไม่มีผิดไปจากนี้นะเพราะนั้นอย่างคณิกะสมาธิอุปจารปนาไม่มีไม่เคยตรัสไว้นะเราก็ละไป แยกแยกสิ่งที่สสสตาไม่เคยบัญจัดออกไปนะยังไม่ต้องแปลบาลีเลยเพราะไม่มีบาลีให้แปลนะคํานี้ไม่มีไม่มีที่พระองค์ตัดก็เอาออกไปก่อนอะไรที่พระองค์ไม่เคยพูดทั้งชีวิต อ, ออกไปออกไปง่ายๆนะแล้วเราก็มาศึกษาเรียนรู้ในคําพระศสะสตาสมาธิเก้ขั้นบางคนก็บอกต้องได้สมาธิขั้นนี้ถึงจะสิ้นอาสวะได้ ผู้เจ้าก็บอกยังไงภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะใส่ปฐมฌานบ้างไล่จนถึงสัญญาเวทิติโลด <c oughs> นั่นคือตั้งเก้าระดับใช้ได้หมดนะเราก็มาพิจารณาอสาวกไม่รอบรู้ก็วางคำสาวกไปแล้วก็มาฟังคำพระศาสดาขอสมาธิทุกขั้นใช้ในการหลุดพ้นได้หมด <c oughs> ใน้รงก็จะลงละเอียดในหน้าถัดไปว่าที่เรากล่าวว่า สินส้นอสวรรเพราะใสยปฐมชานได้เนี่ยเราอาศัยอะไรกล่าวมีเหตุผลด้วยนะไม่ได้พูดลอยๆไม่ใช่พระสูตรที่พูดลอยๆว่าเออสมาธิเก้าขั้นเนี่ยสิ้นอสวรรได้แต่บอกเหตุผลพร้อมอุ ป, ปมาอุปไมยให้เสร็จหมดเลยนะนั้นพระสูตรนี้สำคัญมากเป็นเรื่องการปฏิบัติภาวนาโดยตรงนะถ้าเราไม่รู้รอบครอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนพระที่เคยอยู่กับอาตมา ท่านก็ฟังคำสาบกมาว่าต้องได้ชา้นที่สี่ถึงจะเป็นปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้ท่านบวชมาส6บหกสิบเจ็ดปีแล้วยังไม่ได้สักทีท่านก็เลยปัญสานั้นท่านอดอาหารหนึ่งเดือนนะเพื่อที่จะเดยนยมคมนั้งสมาธิอย่างเดียว <c oughs> จะเข้าชาน้นสีไดนะ้ผ่านไปหนึ่งเดือนก็ยังทำไม่ได้นะก็พยายามใช้ความเพียรทุกอย่างเพื่อจะให้ถึงชานที่สี่ ทั้งๆ ท, ที่ 1, 2 3สองสาท่านก็ได้แล้วแต่เพราะไม่มีใครบอกให้ท่านทราบว่าหนึ่งสองสามเนี่ยหลุดพ้นได้และหลุดพ้นได้อย่างไรก็คือให้เห็นการเกิดดับของกันทั้ง5้าในชานหนึ่งสอสเพราะนั้นถ้าท่านทราบคำพระศาสดาเราก็ไม่ต้องไปขวนขวายวิ่งหรือปาล็ความเพียนนะในชานที่สี่เราก็อยู่ฌานหนึ่งแล้วก็ตามเห็นการเกิดดับเอาสิ้นานะสวะดีกว่า ใช่ไหนั้นถ้าสมาธิขั้นใดเราได้ยากได้ลำบากไม่จำเป็นต้องไปาําแต่อย่างน้อยปฐมฌานต้องได้นะอะขั้นแรกเลยขั้นที่หนึ่งต้องได้อย่างนี้นะอืองนี้ก็จะบอกวิธีสิ้นอาสวะในทุกระดับของสมาธิหมดเลยแล้วจะใช้อุปมาเหมือนกันเลย ว่าเปรียบเหมือนในขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางโดยปกติใน <c oughs> ในเรื่องอื่นๆเนี่ยผู้เจ้าจะเปลี่ยนอุปมานะหรือในเรื่องของการเข้าชานหนึ่งสองสามสี่แล้วอุปมาเกี่ยวเรื่องปิติสุข <c oughs> ก็จะอุปมาเปลี่ยนไป <c oughs> แต่ในเรื่องการสิ้นอสวะในสมาธิทั้งเก้าระดับจะอุปมาเหมือนกันเป๊ะ น, นั่นแสดงให้เห็นถึงความไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามให้เธอทําอย่างนี้ตามเห็นการเกิดดับขันห้าตามเห็นการเกิดดับขันสี่ก็ยังใช้วงมาเดิมคือนายขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางซ้อมยิงไปเรื่อยๆก็คือการเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลยิงเร็วทํำลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักการพระเจ้าไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะยมจะเข้าสมาธิระดับไหนก็ตามยมก็ มาทำตรงนี้อยู่ดีคือตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าหรือขันทั้งสี่กรณีขันทั้งสก็คือพวกได้สมาธิที่วางรูปสัญญาได้แล้วคือได้ตั้งแต่อากาสานัญจานะขึ้นไปขันจะเหลือแค่สี่ขันส่วนขันขันเดียวไม่มีนะที่ที่ไปบัญญัติกันขันขันเดียวเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ครูเจ้าบอกผู้ใดจะกล่าวกันมากันไปการเกิดการตาย ของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะสาวกเนี่ยบัญญัติเองแต่งเองแต่งเพลินไปเพลินมานะ่บัญญัติผิดนะเพราะฉะนั้นการบัญญัติปัญญัตินิรุตติคือภาษานะคำพูดที่พูดออกมาเรียกาศาสนีเลิอที่สุดไม่มีข้อผิดพลาดคือคำพระศาสด า, ษานะเราจะได้สบายใจว่าเราอ่านแล้วมันโยงใยกันได้หมด นะไม่ต้องมากังบนว่าอ้คำมันผิดหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวเราจำไปปิดมันจะเชื่อมโยงธรรมะกันไม่ได้น ะ, <c oughs> ะในหน้าเจ็สิบห้านี่จะเป็นการ <c oughs> เป็นการเชื่อมระหว่างอริยสัจสีกับปฏิจจสุบา จะทำให้เราเห็นว่า้ปฏิจจสุบาทกับอริสสัตติมันเกี่ยวข้องกัอนอยังไงนะเราก็จะเห็นว่าปฏิจจสุบาทก็คือส่วนของสมุทัยกับส่วนของนิโรธผู้เจ้าตัดอริสสัต4นะในสองข้อที่เป็นสมุทัยกับ น, นิโรธ2ข้อกลางเนี่ยผู้เจ้าจะหยิบปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดกับวงรอบตับไปใส่เลยเราก็จะเชื่อมโยงได้แลอ๋อปฏิจจก็คือ รายละเอียดของเหตุเกิดของทุกข์และรายละเอียดของความดับไปแห่งทุกนั้นที่เราท่องตอนต้นชั่วโมงก็คือท่องอริยสัจสีท่องสัจจะของโลกลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและลำดับเหตุของการดับไปแงความตายซึ่งพระศาสดาเราเองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพรุ่งก็สาธยายตรงนี้ตลอดะจะมีภิกษุมาแอบ ฟ, ฟังฟังพระเจ้าสาธยายเสร็จ พระอเขาบอกว่าภิกษุเธอได้ยินแล้วใช่ไหมเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงส่งไว้ทำปริยานี้เป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติมักมีงค์แปเพื่อการหลุดพ้นเพราะฉนั้นเราต้องรู้ต้องจําได้สายปฏิจจาระต้องจําได้เพราะมันเป็นอาการจิตของเราและถ้าเราจําได้เราเอาไปใข้ควรได้ตลอดเวลามันก็จะบรรลุธรรมได้ในที่สุด อันนี้หน้า80ก็จะเป็นการเปรียบเทียบว่าพระโสุนบัร์กับพระมหาจักรพรรดิใครประเสริฐกว่ากันใครมีความสูงกว่ากั น, นผมก็มองมองไกลนะบอกว่า ส, สุนบัร์สิประเสริฐกว่าเพราะว่าพระมหาจักรพรรดิถึงแม้จะตายแล้วได้ไปสู่สุตติโลกสวรรค์นะเป็นสาหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นนวดึงแวดล้อมด้วยหมูนนนนน่น้ําอักษรในสวนนันตวรรค นะอิมเอิเพียบพร้อมไปด้วยกรรมกุลอันเป็นทิบเนี่ยแต่เมื่อตายแล้วเนี่ยก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเ ด, ดชนดเันหรือเปลววิสัยมันไม่ดีตรงนี้เนี่ยชาตินี้มีคุณวิเศษออกเห็นไดินอากาศได้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขนี่ใช่ไหมงานกล่อยเหมือนกันเนาะนแต่พู้เจ้าเห็นตรงนี้นั้นพระเจ้าบอกเวลาพระองค์มาประกาศธรรมาเนี่ย พวกเทวดาพวกปรมเนี่ยสะเทือนหมดเลยเพราะเคยคิดว่าเราเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ยั่งยืนแต่ปรากฏว่าเราเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนมันจะห่อเหยียวหมดเลยนะพรมเทวดาจะห่อเหยียวหมดเมื่อพระองค์ตัดสรุปธรรมแล้วประกาศออกมาเนี่ยสะเทือนทั่วโลกธาตุนะอืมแล้วเขาก็จะสํานึกก็จะเริ่มเริ่มปฏิบัติธรรมกันนะ <c oughs> ในหน้าแปดสิบสองต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติพระโสดาบันนะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะพระโสดาบันเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติแบบง่ายๆนันยยะที่ง่ายก็คือเรื่องของไพเวนห้าประการสิลท่านั่นเองแล้วก็ความเริ่มใส่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระาราตรนตรัย มีเรื่องของอริยญาณธรรมอริยญาณธรรมเนี่ยข้อเดียวเนี่ยได้ไปเลยโสดาบันก็คือการรู้ปฏิจจสุบานนั่นเองเรั้นโยมจะรู้ปฏิจจะโยมต้องทรงจําได้ก่อนนะต้องได้ยินได้ฟังทรงจําได้และเอาไปใข้ควรพีนาน่ะเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทําทั้งหลายจะตนต่อการเพ่งพิสูจน์โยมเดินห้างตายเห็นกระเป๋าปุ๊บเกิดพอใจเกิดจาก จ่ายเงินซื้อโอ้โหปฏิจจ์ปับไปเร็วมากนะทนต่อการพิสูจน์ตลอดเลยนะเนี่ยกินอาหารก็เหมือนกันทำอะไรปุ๊บโยมตรวจปฏิจจ์ทั้งนั้นเลยนะนั้นพยายามนำตรงนี้ไปใช้ตรวจสอบแล้วถ้ามันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงธรรมะง่ายนะท่องตรงนี้ทุกวันท่องทุกวันทำไมพู้เจ้าท่องเ่ะเดินตามพู้เจ้าเลย เป็นถึงพระพุทธเจ้ามานั่งท่องปฏิจานี่ใช่ไหมเราเดินตามเลยมันต้องมีประโยชน์เนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าอายตนะกุศลตาปฏิจจสมุ ป, ปาทกุศลตาใครเป็นผู้ฉลาดในอายณนะฉลาดในปฏิจจสวรรค์เนี่ยทำสองอย่างนี้อนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์เทวดามนุษย์ตั้งหลายจะเป็นเหตุให้พระสัตวรทำตั้งมั่นมั่นคงดำรงอยู่ในโลกเพื่อความผาสุก ข, ของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลาย ธรรมะนี้มีประโยชน์มาก <c oughs> ในหน้าเก้าสิเอ็ดจะอธิบายเรื่องปฏิหารนะ์ว่าปฏิหารจริงๆที่พระองค์อยากให้เรารู้ก็คืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําสอนนี่แหละซึ่งน้อยคนนักจะรู้ส่วนอิที่ปฏิหารกับอัติสนาปฏิหารพระองค์จะดัดโดยสรุปก็คือพระองค์อึดอัดขยะแขย ง, ขยงขเกลียดชังต่อปฏิหารทั้งสองนี้นะ ตัดกับเกวตตะในหน้า98 99ก็จะเป็นอาการของผู้ที่อยู่ใกล้นิพพานสมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์สำรุมอินทรีย์นั่นเองประมาณในโพชนะนะการกินอยู่ของเราพอดีชาครญาณธรรมก็คือปารกความเพียร ถ้ายอมทำแค่นี้สีข้อนี้ชื่อว่าใกล้นิพพานละในหน้าร้อยสามก็เป็นอินทรีย์ภานาเช่นเลิอดอันนี้จะบอกบ่อยอยู่แล้วดับปารมณ์พอใจไม่พอใจให้เร็วดุดกระพิบตาในหน้าร้อยห้าก็เตือนว่าสิ้นกิเลส ก, ก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่ามันสิ้นไปเท่าไหร่ล้วนะ ่ะมาคอยเช็คก็โหมีมาดปัดกันทุกวันอืมเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นวันอื่นสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้น เมื่อพิสูจน์ตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อสวะเราสินานานส้นไปเท่านี้วนันนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นนะเราก็รู้ว่าเออรู้สึกกีเลตมันเบาบางลงไปอ่ะนะแต่ไม่รู้ว่ามันลดไปหนึ่งมิลสองมิลนะไม่ต้องไปวัดนะอ นี่หน้าร้อยหกก็เป็นการยืนยันว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทุกคนต้องเดินเองนะถ้าไม่เดินไม่ถึงเนาะมีร <c oughs> ้อยเก้าก็เหตุที่ไม่ป ร, รินิพานก็คือยังมีอุปท า, านผู้มีอุปท า, านป ร, รินิพานไม่ได้ก็คือถ้าเรายัางเพลิดเพลินในรูปเสียงขินลดก็เรียกว่าเรายัางมีอุปท า, าน หรือเรามีสัญโยค่าจิตยังผูกติดกับอารมณ์อยู่ <c oughs> ก็เรียกว่ามีอุปทานจะเปรินิพานไม่ได้นหน้าร้อยสิบเอ็ดเกี่ยวกับหมดอาหารข้อนิพานอาหารสี่อันนี้ที่น่าสนใจคือเรื่องของอุ ป, อปมาแสงกับฉากที่พระองค์อุปมาเกี่ยวกับบิญญาณนะ การเกิดขึ้นของวิญญาณกับนามรูปเนี่ยจะเปรียบเหมือนแสงกับฉากที่มากระทบกันแล้วปรากฏเงาของแสงขึ้นนะว่าถ้าแสงส่องมาที่เลือนยอดที่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกฝาเรือนทางทิศตะวันตกเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกเขตอบที่ฝาเลือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเลือนไม่มีแสงปรากฏที่ไหนบอกปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีแสงปรากฏที่ไหนบอกปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีปรากฏที่ไหนผูจชาบอกแสงจะไม่ปรากฏ นั้นวิญญาณเนี่ยจะปรากฏได้ก็ต้องอาศัยนามรูปนามรูปจะปรากฏได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนี่เป็นระบบการเกิดที่อิงอาศัยกันนะไม่เหมือนการเกิดแบบอื่นนะจึงบางทีเข้าใจได้ยากเหมือนกันนี่จึงเป็นอุปมาที่จะทําให้เราเห็นภาพ หน้าร11้4ย1 5บี่ร้อยสิบห้าจะเป็นปฏิจจสุบาทที่เราท่องเอาไว้เป็นกฎอิทัปปัจยตาหน้าร้อยสิบแปดนะก็เป็นพระสูตรที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะสามารถทำให้เราสามารถแกะธรรมะขั้นสูงนะเพราะเป็นเรื่องของสติกับปัญญาพระสูตรนี้จะมีน้อยนะ ที่เจอจะมีพระสูตรเดียวนี่แหละที่ทำให้เราเห็นโทษของสติกับปัญญาเพราะนั้นพระสูตรเหล่านี้จะพูดเยอะไม่ไดนะ้เพราะสติปัญญาเป็นสิ่งที่พู้เจ้าให้ฝึกแต่โทษก็ไม่ได้บอกโดยตรงนะบอกแบบอ้อมๆสำหรับคนที่เห็นโทษของความดับคือ น, นิโรธแล้วอาชิตาก็าจะถามพู้เจ้าว่าปัญญาและสติ กับนามรูปเนี่ยดับไหมนะจะดับที่ไหนอชิตะท่านถามปัญหานั้นข้อใดเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในย่อมดับไม่เหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นย่อมดับไปไหนที่นั้นเราจะได้กรอบแล้วว่าปัญญาและสติก็คือตัวนามรูปไม่เกี่ยวกับวิญญาณนะเริ่มแยกออกจากกันแล้วนะ นั้นตัวนี้ถ้าเราจาดีๆเราจะไปแกะได้ว่าจริงๆแล้วตัวสติคืออะไรนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่านามรูปก็คือตัวปัญญากับสติเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนามรูปพระองค์ตัดต่อไปว่าเพราะความดับไปแห่งวิญญาณเพราะนั้นปัญญาสติและนามรูปดับปัญญาสติดับเพราะนามรูปดับนามรูปดับเพราะ ความดับแปลงวิญญาณ <c oughs> <c oughs> นั้นถ้าเราไปดูในพระสูตรที่กันที่บอกสัญญาเวทิตานิโรธซึ่งสัญญาเวทิตานิโรธจะมีสองขันธ์ทงานคือสังขารกับวิญญาณนะแต่ขณะมีสังขารกับวิญญาณเนี่ยพระสารีบุตรยัง ม, มีสติเข้ามีสติออกจากสมาธิแสดงว่าสตินะยังอยู่แม้ในสองขันธ์ เพราะนั้นสติไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาก็จะเหลือสองขันจะเป็นสังขารหรือเป็นวิญญาณแต่ในนี้ผู้เจ้าแยกวิญญาณออกมาแล้วบอกสติปัญญาขณะนามรูปดับเมื่ อ, อ, อสติขปัญญาดับเมื่อนามรูปดับก็คือสติเนี่ยจะอยู่ในสังขาร น, นะนั้นนี่คือ การโยงย้ายพระสูตรถ้าเราเก็บประเด็นได้ปั๊บเนี่ยเราจะได้คำตอบยังจะไม่เจอในคำตอบที่ไหนที่สามารถฟันตรงได้ว่าสติคือส่วนใดของกันห้านะแต่จะสามารถตอบได้จากพระสูตรเหล่านี้นะ <c oughs> เรื่องของการประนิพันในหน้าร้0ยยี่สิบนะพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่ไพเราะนะและ้วก็ถ้าได้อาา่านในทีวีเวกนะค่อนข้างเศร้านะ <c oughs> <c oughs> ผมจะบอกว่าสัตว์ทั้งปว ง, งทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ตั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนมีการแตกทํำลายเป็นที่สุดชันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าชนนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบหลีแล้วเราจะลาพวกเธอไป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 มาสุดท้ายว่านิพพานพระองค์ก็ได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลมาใสความเอ็นดูแล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทําแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียนเผากิเลสอย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายพระองค์ก็จากไปอย่างสงบนี่ก็เป็นหนังสือก้าวย่างอย่างพุทธะเห็นไหมว่าไม่ยากเกินไปกับพระศาสดาของเราก็ น่าจะใกหมดเวลามีใครจะถามอะไรสั้นๆบ้างเล็กน้อยมนะเชื่ออ๋ <c oughs> อแล้ควคุณพระอาจารย์ครับอเอราเป็นคําถามที่จากเอร้อยแปดคาถาคดพระสิทิ์นะครับในแผ่นพับเป็นข้อที่สามสิบเก้านะครับอ๋อ <c oughs> ที่พูดว่าที่ท่านพระศาสนาตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสะดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสี่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยะจะขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ครับว่า ทำไมพระาศาสดาถึงบอกว่ายึดกายเป็นตัวตนดีกว่ายึดจิตเป็นตัวตนนะครับแง่มุ <c oughs> มนี้ดีเหมือนกันเพราะพระอง์บอกว่าคนที่ไม่เคยฟังธรรมเลยเนี่ยนะปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยถึงเขาจะยึดกายเป็นตัวตนเนี่ยแต่เขาจะพอเบื่อหน่ายได้บ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาปุตตะทั้งสี่นี้ เราเหตุใดเมื่อการเวลาผ่านไปนะ20 30 40, 40 50 60, 60 70 80ปีเนี่ยความเสื่อมมันปรากฏให้เห็นนะเขาเห็นชัดไงก็เห็นความแก่งอมความมีหนังเหี่ยวความมีผมหงอกความมีฟันหลุดเขาจะเกิดเบื่อหน่ายได้บ้างเขาจะไม่อยากได้เพราะเขาเห็นโทษส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเลยนะ่ะ อุปมาความเร็วของจิตเนี่ยพระองค์บอกว่าจะยกอุปมาที่เปรียบเทียบได้อย่างหาได้ยากในโลกเลยเพราะจิตมันเกิดดับเร็วมากนั้นปุตรชนที่ไม่ได้สดับในธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีทางจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยเกิดดับตลอดการเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยหลงยึดถือจิตมาตลอดการชานานการที่จะเห็นจิตเกิดดับมันจึงยากกูจึง ผู้เจ้าจึงเปรียบเทียบว่าถ้าจะยึดกายยึดจิตเลยยึดกายดีกว่าเพราะถึงแม้จะไม่เคยได้ฟังธรรมก็ยังจะเบื่อได้บางแต่จิตเนี่ยทั้งเคยฟังธรรมทั้งไม่เคยฟังธรรมอูมันแทบไม่ได้เลยไอ้เคยฟังธรรมก็จะรู้ก็อย่างยากว่าจิตเกิดดับแม้แต่สาติเกวตตบุตรเป็นพิสูจน์ยังบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดหรือจิตเวียนว่ายตายเกิดซึ่งผู้เจ้าบอกไม่ใช่เป็นโมคคบุรุษ <c oughs> แต่เราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรเวียนว่ายตายเกิดและผู้เจ้าก็ยังบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเธอไม่รู้เรื่องสัตว์เราและเธอจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัตแล้วใครเวียนว่ายตายเกิดการจะบัญญัติว่าใครเวียนว่ายตายเกิดนะพูดยากผู้เจ้าใช้คําว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องปูนั่นแหละเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวาัตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเกิดดับตลอดวิญญาณเกิดดับเกิดดับไปิดดับ น, นั้นจิตมโนวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้เป็นคนท่องเที่ยวไปเกิดมาปุ๊บหายไปละจบไปละแต่คนท่องเที่ยวคือผู้หลงผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเขามีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกติดยึดอยู่ในภพนถ้าหมดอวิชชาแล้วผู้นี้ผู้นี้ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นจเจริญมรรคแปดจนอวิชชาจางคลายหมดไปผู้นี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติมันไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่จิตไม่ใช่มโน นั้นจิตมโนวิญญาณ3มชื่ออันเดียวกันนั้นมันต้องใช้ตั้งแต่บัญญัติศัพท์ของพระศาสดาแล้วมันจะไม่งงนะไม่งั้นโยวเอ๊ะจิตผู้รู้ไม่เกิดดับเป็นนิพพานะแล้วปล่อยวางจิตเอ๊ะแล้วจิตเกิดดับมันจะงงไปหมดนะมันจะสับสนคําศับนั้นเรื่องคําศับเนี่ยยิ่งธรรมะชั้นลึกสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบัญญัติอะไรไม่ได้เลยเราต้องเดินตามบัญญัติพระศาสดาถึงจะแก้ธรรมะชั้นลึกนี้ได้ นราเคยเห็นพระในสายปฏิบัตินั่งถกกันเป็นสิบองนะเอ๊ะทําไมสาติบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายแต่เกิดแเราผู้เจ้าพกโบเข้าบุรุษก็ <c oughs> จะนั่งงงกันนะอืมเนี่ยแก ย, ยากเพราะนั้นจะต้อง <c oughs> ศึกษาแต่คํสะสะาศาสพาแล้วจะโยงใหญ่กันดูว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้ผู้ที่รู้วิญญาณอีกทีเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าอะไรนะเรียกผู้เมีวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตํานาเป็นเครื่องผูกอย่างนี้ ขอบคุณครับพระเจ้าคำถามฝากมาหลังจากที่ว่าคนเราตายไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าจะไปเกาะพบภูมิใหม่ทันทีถูกไหมเจ้าคะ อ, อะ่านี้เขาต้องการพรสัสตุที่ว่าจะชี้แจงนี่เจ้าคะ่ะไม่ทราบว่ามีเราจะหาให้ได้ไหมเจ้าคะก็ เราดูสิโซดบันจะรู้ว่าวิญญาณวนอยู่ในขันทังสีนะเวลาเราบอกเราเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยเราพูดแต่เรื่องรูปธาตุอย่างเดียวเห็นไหมจริงๆแล้วอีกสามขันเนี่ยเป็นภพด้วยหมดเลยนะสามขันเนี่ยเป็นภพตัวสี่ธาตุทั้งหมดคือภพและจิตจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ตลอดเวลาเลยเราต้องรู้ความจริงตรงนี้โซดาบันจะรู้ความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นใครรู้ว่าวิญญาณวนอยู่ในสี่ธาตุนเนี่ยในโสดาบันนะเนี่ยเห็นไห นั้นหูจะมีพระสูตรเยอะแยะมากเลยที่ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนั้นเราต้องแยกภพกัชชาติให้ออกนะต้องรู้จักคําำภพกัชชาผู้เจ้าจะบอกภพเปรียบเหมือนผื้นนาวิญญาณเปรบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในพื้นนานะมาเทียบดูกับพระสูตรนี้ที่ผู้เจ้าบอกวิญญาณจะพ้นอยู่ในขันทั้ง4คือเข้าไปตั้งอาศัยไปเกาะเกี่ยวไปรับรู้ไปกินอาหารเห็นไหมผู้เจ้าใช้หลายคำนะอ่าหรือคือมันไปตั้งอาศัยวิญญาณ มเมล็ดพืชตกลงไปอยู่ในปื่นนาคือเป็นปตั้งบนปื่นนานละ้วเห็นไหมเตรียมตัวงอกแล้วงอกด้วยไหลงอกด้วยน้ํนานันทิราคะเพลินและพอใจน้ําลดลงไปปุ๊บเมล็ดงอกขึ้นมาใช่ไหมจิตรับรู้อารมณ์ปับ๊บมีพบคือไปเข้าไปตั้งอาศัยรู้ต่อไปงอกละงอกอืมเมล็ดพืชงอกละหรือเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าสัญญคะจิตผูกติด ก, กับอารมณ์เต็มหน้าแห่งความเพลินจบด้วยอะไรชรามอนนะเห็นนะม เ <c oughs> แล้วพบมันมีแค่รูปหรอมันไม่ใช่ขณะที่รูปยังไม่ตายเนี่ยจิตก็สร้างพบตลอดเลยสร้างการเกิดตลอดเลยเกิดตลอดเนี่พบชาติชลาหมอนะพบชาชลาหมอนะตลอดนั้นเนี่ยนั้นกายตายแล้วจิตหยุดทํางานไหมไม่หยุดจิตทํางานเหมือนเดิมนอนหลับมันยังทํางานเลยปุ๊บปุ๊บไปฝันไปอะไรตอนอะไร <c oughs> เห็นนะนั้นพอ บ, บอกตายแล้วจิตไม่เกิดเป็นฐานะที่เป็นไปนไม่ได้เลยเกิดแน่นอนนี่ อขนาดยังอยู่ยังเกิดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเลยเห็นนะอ่าแล้วท่านก็บอกว่าตายแล้วไม่เกิดก็คือตายแล้ววิญญาณหยุดทํางานเนาะไม่ใช่วิญญาณก็ยังทํางานตลอดเหมือนเดิมการตายของรูก ป, ประทัดมันไม่ได้ไปทําให้วิญญาณเปลี่ยนแปลงไปนี่ธรรมชาตินี้ก็ยังเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลายมจะหลับวิญญาณก็ยังทํางานเกิดดับตลอดเห็นนะ <c oughs> แต่ท่นี้ มันจะมีคำว่าสัมภเวสีสัมภเวสีคือสัตว์ผู้สวงหาที่เกิดนะเราเริ่มไปแกะได้มาเจอพสูตรสองะสูตรที่จะแก่ตัวสัมภเวสีได้ไม่มีใครรู้จริงเรื่องสัมภเวสีปรุงแต่งกันทั้งนั้นนะว่าแปลเป็นอย่างง้นอย่างนี้แต่ถ้าโยมใช้พุทธวัจนะโยมจะเจอสองะสูตรนี้คือพสูตรที่ตัดกวัชชะเพราะนั้น <c oughs> สัมภเวสีคือสัตว์ผู้สวงหาที่เกิด <c oughs> <c oughs> วจชาถามผู้เจ้าบอกว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกตัณหาคือความอยากนั่นแสดงว่ามันมันมีแก๊บนิดหนึ่งสั้นๆที่เมื่อกายแตกทำลายแล้วสัตยังไม่ได้กายใหม่จังหวะนั้นแ่ะสัมเวสีนะที่จะสแสวงหากายใหม่ ซึ่งตัวแสวงหาคือตนันหาความอยากของเรานี่เองแหละมันโทษใครไม่ได้เลยเราอยากไปจับตรงนั้นเป็นพบเป็นที่เกิดนั่นเองเมื่อตอนนี้แกบนี้เนี่ยกว้างขนาดไหนกินเวลาเท่าไหร่นะไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่ผู้เจ้าบอกกับพระนนท์บอกกานนท์ที่อุปมาเกี่ยวกับเรื่องการพิง <c oughs> การทำงานของวิญญาณกับนามลูปให้ใช้อุปมาตรงนี้แต่เราจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยก็คือได้ตัวสัมภเวสีขึ้นมาผู้เจ้าบอกกานนถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแหงมารดานารูปจัปรุงตัวต่อได้ไหมอานนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกเพราะนั่นนั่นคือเมื่อบิดามารดาอยู่ร่วมกันนะทำนามลูปให้เกิดแล้วเนี่ยวิญญาณจะก้าวลงไหมถ้าไม่ก้าวลง นามรูปนี้ตายแน่นอนนี่อันที่หนึ่งอันที่สองนะผู้เจ้าบอกอานนท์ถ้าวิ ญ, ญญาณก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วแตกสลายลงแล้วเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมอานนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกใช่นะนั้นนั่นคือวิ ญ, ญญาณเลือกละก้าวลงปุ๊บแต่เปลี่ยนใจไม่เอาแตกสลายในสันว์ในคันก็ตายนะอาจจะไปเกาะในคันของสุนัขต่อหรือในคันของไอ้ตัเนนที้นะ เลืกตามความพอใจความอยากเองอ่ะใช่ไหมหยิบน้อนหยิบนี่ก้อนนั้นก็เหมือนกับจิตเราเนะี่ยจิตรับรู้ปับ๊บปล่อยไหมล่ะรับรู้ปุ๊บอุ้ยอยากรู้ต่อรู้อ่าผูกติดละผูกติดละไปเลยนะอ่าเห็นนะอุปทานเกิดละมาจับคันปุ๊บอืไม่เอาเปลี่ยนจับคันใหม่อืมดีเหมือนกันอยู่ไปอ่าอย่างนี้ยึดมั่นอุปทานยึดปุ๊บ ก, ก็ไปเกิดตรงนี้ <c oughs> ระดับที่สามเกิดอ่าวิญญาณก้าวลงสู่คันมันดา แล้วก็นารูปเนี่ยปรากฏเป็นเพศชายเพศหญิงเนะี่ยเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วนะนะที่อยู่ในครันแล้วจากแตกสลายลงนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพนุนลก็บอกไม่ได้นั่นแสดงว่าช่วงสัมภเวสีเนะี่ยระหว่างสแสวงหาที่เกิดยังไม่ได้กลายใหม่เนี่ยระยะเวลาเนี้ยกี่อาทิตย์กี่เดือนละ่ะนะก็ไม่รู้แล้วต้องถามพวกหมอนะว่าจาก ปฏิสนี่แล้วเกิดเพศในธาลกเนี่ยจะใช้เวลากี่อาทิตย์ถ้ามาไปไปดูในสารคดีของของฝรั่งเนี่ยเขาบอกประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันก็เห็นเป็นงอกมานิดแล้วนะงอกเป็นมือเป็นแขนเป็นไรตัวนิดๆล่ะอ่าเขาใช้กล้องเล็กๆส่องลงไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ละกัน แต่แสดงให้เราเห็นเนี่ยแก๊ปช่องว่างตรงนี้ก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนกระทั่งปรากฏเป็นเพศช่วงนี้วิญญาณเข้าออกในตลอดและนี่คือแก๊ปของสัมภเวสีนะเนี่ยคำตอบสัมภเวสีเพราะฉะนั้นคําตอบใดก็ตามเนี่ยหาได้จากพุทธวจนะทั้งหมดนะคำถามอะไรที่เรายังคาสงสยัยเก็บไว้ก่อนอ่านพระสูตรไปเลย เ, ลยเดี๋ยวมันจะโอ้ตรงนี้เองออกตรงนี้เชื่อตรงนี้ตรงนี้เชื่ อ, อมันจะได้คำตอบหมดเลย นี่คือวิธีการหาและนี่ก็คือที่มาโชว์มาเช้าเรื่องการสืบค้นใน iPad นั้นโยมสามารถสแกนได้วินาทีเดียวใครมีซัมซุงไอโมบาย e วลคอมก็ระบบ Android ก็ใช้ไดนะ้สแกนได้เหมือนกันนะจะใช้ iPhone, iPod, iPad ก็ไดนะ้ทำมาให้หมดแล้วยโยมลองสืบคน้นลองอ่านดูเช็คสนุกนะมันเป็นอะไรที่ลึกกว่าเรื่องของหนังสือ มันไม่ใช่นั่งอ่านอย่างเดียวแต่มันสืบคน้นภูมิความรู้ทั่วโลกธาตุนี้ได้ภายใต้คำสอนศาสดาเราเพราะนั้นในมือเราเนี่ยมีความรู้ทั่วโลกธาตุอยู่แล้วนะ<ม>เข้าไปหา<ม>เข้าไปสืบคน้น<ม>เข้าไปอ่านนะมันเร็วกว่าการนั่งเปิดตู้พระไตรปิกทั้งตู้นะเดี๋ยวมจะหมดแรงก่อนนะอืมนะก็ขอนะจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะขออนุโมทนากับ ญาติโยมทุกคนที่ได้มา <c oughs> ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะนั่งสมาธิสั่งสมสุตตะในคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาขอให้พวกเราทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระตถาคตคิดฝังสิ่งใดให้สําเร็จสมความปรารถนามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและที่สุดเลยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพ า, า, านในนาคตการันต์ใกล้โดยทุนากันทุกท่านทุกคนเทิด แต่สวดแบบแนี <A pen. S 1> <laughs>